เรื่องพุท ธ, ธรรนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่2โดยพระอาจารย์สมพบโชติปัญโยแล้วมันยังไม่จบก็บอกว่าจะไม่รีบไม่ร้อนแต่พยายามเล่งเพื่องเหมือนกันมันก็จบลงไปได้เกลีย์พื้นที่กันใช้เวลาไปตังครึ่งชโมงแล้วทุกคนเคยฝันแต่ฝันไม่เป็นจริง ฝันเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแกบ่บ้านเมืองเกี่ยวกับความเป็นไปในเรื่องราวของชีวิตบางทีมันก็เกี่ยวดองคล้องอยากเกี่ยวยงกันเหมือนวันพระก่อนที่เคยเล่ามาแล้วเห้ความฝันต่างๆนานาซึ่งมันเกิดมาจากเหตุต่างๆอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยดังกล่าวแล้วาติโกสุปินังปสติฝันพลม์กำเลิบปิติโกสุปินังปสติฝันพอดีกำเริบเซมิโกสุปินังปสัสสติ วานเพาะเสมหักกำเริบเทวดูปัสสังหระรโกสุปินังปัสติฝันเพราะเทวดาสังหรสมุทาจินนตโตสุปินังปสัสติฝันจากประสบการณ์บุพนิมิตโตสุปินังปัสติบุญบาปที่ทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏให้เห็นในความฝันถูกเล็กถูกหวยก็ได้พระพระสมุธาจินนตานิมิตโกสิ่งที่สะสมไว้ในในในชาติก่อนๆมาปรากฏเป็นความฝันก็ได้ ทั้งมดนั้นเราได้พูดกันมาอย่างละเอียดในวันพระก่อนท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ก็พอจะรู้เรือร่องวันนี้ก็เลยมาสารต่อแล้วพูดกันเึงความฝันของพระบรมศาสตาสดากรที่จะตรัสรู้ <Mach> ท่านก็ยังฝันว่าตนเองนอนคับแผ่นดินหัวหนุนเขาสินเนนุราชฝันว่าอยากคาแทงจากสะดือทะลุฟ้าฝ <M> ันเห็นน no. ก no. บินมาจากทิศทั้งสี่สีต่างๆแล้วมาหมอบราบลง เรื่องพระบาศกลายเป็นสีเดียวกันฟันเห็นนอนตัวเข า, ขาวๆหัวดำๆไตเย่เยียกันมาตั้งแต่บาดจึงถึงหัวเข่าฟันว่าได้๋ยเยี่ยไปเดินไปบนกองปฏิกูลอุจาระมุดโดเขา่าภูเข า, เขาไม่ส ก, กปรกแปดเพื่อนและห่างกับเหล่าให้พระพิสุทธ์ทั้งหลายฟังหว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ได้กล่าวกันมาแล้วกล่าวกันมาจนเจ็บจบเรียบร้อยในสุบินสุพมนวัคปัญจการนิบาตอังคุตานิกายดังที่เล่ามาแล้ว และเราก็มาพูดถึงความฝันอย่างในชาดกพระเวสสันดรความฝันของนางมัดสีนางมัตทีก่อนที่ชูชกจะมาขอโลกในคืนนั้นกอดฝันว่ามีคนร่างกายกำยำลำสันคือดาบคมกริบมันปรับแล้วก็ใส่ดอกไม้สีแดงคัดหูมีผ้าสีแดงแดงไม่ใส่เสือ้อขึ้นมายกตีนกระทืบ ฝากระท่อมอาสมของนางเข้าไปแล้วก็ไปจิกขวนางลากออกมานางขอร้องอ้อนวอนชีวิตอินทรีไว้มันไม่ฟังมันตัดแขนแต่ขาควักเอาดวงตาเอาหัวใจเมาขยี้ขยี้และนางก็เตือนดีเป็นความฝันที่เป็นจริงอีกอันนึง<ม>ชูโชคได้ไปขยี้ดวงใจของนางในวันรุ่งขึ้นคือไปขอเอาลูกขอดวงตาขอาหัวใจความฝันของพญาสนชัยก่อนที่ชูโชคจะร้องทางนาเด็กสองคน เข้าไปหาที่พระบรมมหาราชวังฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งตูมๆ ด, ดอกหนึ่งกําลังแย้มบานพอรับเข้าไปแล้วเกสรก็ร่วงพูกรีปล่วงหล่นลงในอกแล้วก็หอมกลุ่นทั่วพระบรมมหาราชวังฮวงวังไปจําราชสํานักได้ทำนายว่าจะมีคนสุดที่รักบานดวงตาหัวใจจากไปนานๆจะได้มาพบจะหลบอพวมไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักและความสุขสดชื่น แล้วก็เป็นจริงดังขาดสายมาหน่อยชูชคก็หลงทางเข้าไปนี่ก็เป็นความฝันอีกความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของนางมัทีความฝันของกรุงศีพีเชตุดรของพระเจ้าสนชัยและความฝันของปัทนาทิศบดีอ布拉หมลิงคอนฝันเห็นบ้านตนเองมีแต่ความเงียบฝันเห็นเสียงสุนัขเห่าอ้อนฝันได้ยินเสียงคนร้องห่มร้องไห้นอกจากนั้นก็ฝันเห็นทหารยืนถือปืนเฝ้าลงศพจู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 มีหลักฐานในมหาสุบินชาดกเอกนิบาตคุตตกนิกายพระไดปิดกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่เจ็ดสิบเจ็ดหน้าที่ยี่สิบสี่ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐและสุดท้ายพรุทธเจ้าท่านก็ได้บอกเบาเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเกิดขึ้นแก่ลงใ น, ในอนาคตแล้วก่อนที่จะมาหาพรุทธเจ้านั้นประชาชนที่โกศลมีความหวาดกลัวยิ่งนักขณพรสยองก้าวนึกถึงความฝันนี้ บอกของรวงประจำราชจะสำนักทั้งหลายก็มาบอกว่าจะเกิดอาเพรศเหตุภัยอาจจะเกิด น, น้ําท่วมหรือไฟลุกท่วมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมซามันตราต่างนาครจุกพยุขหแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอํานาจเสร็จแล้วก็จะเขนข่าพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากนั้นเมืองนี้ก็จะล่มละลายตก อ, อยู่ภายใต้อํานาจของศัตรูอัตศกรจะต้องมาแก้แค่จะต้องมาแก้บน บนบานทั้งกาเจ้าถุ่งเจ้าท่าเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าแม่กาลีเอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวโคร้อยตัวแพะแกะอย่างละร้อยิ่งไปกว่า น, นั้นเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยลูกใครก็ตามต้องเอามาตัดคอเอาเลือดบวงสวงบูชาเหตุการณ์นี้ก็จะกลายดีเลยว่าเสียเคาะเคาะมือเข้งเว้นมือเสากูแกกูซาแบบที่คนโบราณบวชมาเป็นทิศเป็นจานใหม่เรียนอะไรแล้ว เออกมาผ่าผาดบาปไปหากินใครเจ็บไข้ได้ป่วยแต่งโคงนา ง, งัวเคลื่อนถือหนังสือกอบผ่าผาดบาปไปเสียขอแล้วหลังจากนั้นเกาะเป็นผู้ไปทําลายบาสีไปเสียขอสูนันตูพลตูยีเทวปรมาอินทาพมาดุลลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมหาหับเอายังขันฝังพันเทียนเจ้าโศกเจ้าสตาเจ้าเสือเจ้าพาณเชย์ว่ากันไปเลยเสียขอไหนไดนเงินไป คนไข้ก็เสียเงินไปสาบายใจไปทํำไมสาบายใจไปก็ตายไปหามไปทิ้งไปเผากันไปแต่คนที่สวยโอกาสมันมีอยู่ทุกขนาดไม่ว่าโรคนี้เหตุการณ์ใดก็ตามจะเร่าร้อนจะเป็นทุกเร็วตามขนาดไหนคนที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นย่อมมีเกิดสงครามขึ้นมาก็มีพวกเศรษฐีสงครามขายอาวุธหระมีเศรษฐีหลังสงครามขึ้นมาอกีกไงโง่บี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 เสียงของพ่อของแม่เสียงของปู่ย่าตายายของพี่ของน้องร้องไห้แก่ลูกเล็กๆห ล, ลานน้อยๆที่จะถูกเชือดคอบูชาจันพนางมัลลิกาตื่นขึ้นมาจากบรรทม ก, ก, ก็ตอกอกตกใจถามสนมนารีด้วยความกระิบเจ้นไปหาพระเจ้าโยหหัวบอกว่าทำไมเราจึงต้องมาเชื่อพวกนี่คนอื่นทุกข์ยากลำบากแกตายไปล้วเอาชีวิตเราสองคนไว้ทาย่างนั้น เราไปหาพระบรมสารตถดดาสมบัสัมพุทธิจาทาีเชตวันมหาวิหารดีกว่าใครมันจะมาเก่งเกินพระพุทธเจ้าท่านอยู่ตรงนี้ทําไมเราจะไม่ไปถามท่านหวานแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะก็เลยรีบไปพอรีบไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยิ้มยิ้มเมื่อท่านยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ทํานายท่านบอกว่าพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าวิปริญญาห่อวัตตินจิธรรมธี สีบะมีเนี่ยใดเกิดเป็นแขนหายประการใดใดแทะปัจจุบันสําบายอยู่พระเจ้าอยู่หัวเอ๋ยปัญญาโลโกเกอหน้าขัดสมิงหากสะเป็นเหตุหายภ่ายหนาโลกคนโลกทิเกิดเดือดห่อนไฟสมัยจีเผววัลทนั้นพระกะ็ไขโอกแก่วเทถเสนาธรรมบ่เม็นค้ามขวากาวมา่ามีแจงเป็นแสดงไขไหวเนธามหมดพระโสดมหาสุบินชาดกบอกไหวไขหูวเรืองล่าว เอกอนิบาทแห่งประสูตรหมวดขุดทักษันิกายปัตรัยพีดกบาลีเหล่มจี๊ดเร้าเจ็ดแถน่ขอที่เจ็ดสิบเจ็ดพร้อมทั้งห้อมลงหนาเศ้สาสีเป็นเดซี่บอกไผให้เฮ้งหูวัดเธือนลุ้นค่วมฝันเป็นตั้งแต่ผลมาถือวางให้เฮ้งพีน้องเอ๋ยให้คอยฟังกันนิ่งคิดซอยกันอย่าดูหายอธิบายหัวขอพ่อฟัง ห, หูหอมล่างตะคิดเสด็จหูห้อมแห้ปงปอกซอยกันพีน้องเอ๋ย คอหนึ่งหั่นฟันว่าอุสุภาเห็นมูงง่วบักเถกสีแดงแดงแลนมาสุดสาวเสียงคํรามห้องดังมากคือฝ้าแรงแลนมาคนลายย่านระดางทญยาทเขาใสยกันฝ้ามืดคึมดินในเป็นพงสศกยงข้าญานิปบขูดแก้วดินควนกลุ่มคือสิซ้นกันแฉบพันแปรเป็นอื่นแลนมาแล้วพันเราใหญ่พันหนาหลีกนี้เหรอเอ้ยนี่คือความฝันคอนี้พระราบริวะอุสุภาอุสุภา งุชุพราชสี่ตัววิ่งมาในทิศทั้งสี่คำรามรั่นปานฟ้าจะถลม่มฝุ่นตลบกบตลาดหน้าพระรานพระบรมมหาราชาวังประชาชนทั้งหลายไม่เคยพบเคยเห็นหลังไหลกันมาออเต็มแน่นไปหมดว่าจะได้ดูมันจะชนกันจะเควดกันของหน้าดูไม่ต้องไปปักใต้แล้วดูนี่ก็เห็นตัวใหญ่ๆทั้งสี่ตัวดีตัวไหนจะเก่งก็พากันมารมโด เทปากฏว่ามันไม่ชนกันจะเอาเขา้าจริงๆทางดังเปิดปาดเปิดปาดแล้วก็เปิดอาลาดไปคนละทิศละทางวันนั้นคนบบราว่าอย่างนั้นเปิดอาลาดไปไผ่ไปมันเฮ้ยครางอบคนโบราณพูดอย่างนี้ด้วยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวแถวบ้านน้องบัวท่าแถวที่หนังสื อ, อกเก่าๆพวกนี้เยอะเลยฝั่งทางนู้นนะตรงข้ามเขมรลาดไปทางนูน้นแต่ทางประเทศลาวมักจะทําเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกอเป็นกาบ เป็นแบบหมอลำแต่ทางฝั่งไทยมักจะทําเป็นกรอนฟังไพราะทางฝั่งราวนั่นทําเป็นเป็นกาบคล้ายๆเป็นเป็นกรอ น, นรของพวกหมอลำแรงขามามืดแห้งกูกูกุนกลุจนวัดดินเป็นฝุ่นหมืดฝ่าม่วฝนปรากฏวาสีส้นกันเสียหายมันแหลกแลงขม่ า, มาแล้วแหกไปไผไ ป, ไปมันเป็นหนาอัตจันท์ความฝันเกินต่างว่าอย่างนี้ข้อให้ได้จะหาว่ะวัยาคูลำพระลำก็ได้ไม่ใช่นะ ว่าแบบแบบประเทศลาก็ว่าอยา่างนี้พ่อเมื่อขอนสว่างแก่งุงลาตีพระผู้มีโคดมหูเหตุก็เลยตัดเทศตอนตังลาซาไปสั้นเพื่อนบอกว่าศาสนาหลวงไปายนาจนถึงสองพันหาเดินตีปีจอคนติดเด่มาอ๋อสิ่งกันหยัดยังอยู่ตามทางสีแพงหงวัว่ายไปแถวขอ้อพายไม่ใช่ลำนะว่าให้ฟังหงวัว้ายไปเมือง คนสิเกิดแข็งเครื่องการกินการสาร้างเขาสิภากันอึดกันยากเขาน้าทาปลาหอดยําหน้าเขาโบได้เห็ดเห็ดหน้าได้โบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหอดเดินเก่าเห็นแต่มเม็ดง่ายๆเป็นงนต้นกันเป็นหน้าอัศจรรย์เวหาอากาศผลบนยอย่อยบอยาดทาให้หําหน้าพ่อต่างเต้ต่างขืนมา ก, มากหายไปวับเป็บคนที่อึดหอดแกบเสือไก่ในใ ห, หัางพิแต่ขังฟังหลังขังหลังผลกัวอันนี้แบบแบบสมไหม ประเทศลาวท่านทําอย่างนี้ก่อนทำประเทศลาว่าอย่างนี้ทําว่ากันเป็นกาบแบบหมอลำแต่ฟังเข้าใจง่ายดีอีกเหมือนกันเป็นการทํานายแต่ทางประเทศไทยของเรานั้นว่าไปอีกอย่างพระมนีทำนํำนายให้ปเสนพระญายใหญ่สาบธนาหลวงได้ไพน่าหัสิเป็นสองปัญหาโรคกาสิไว้วันมันจะเกิดเดือดหอนทั้งขายทัวแดนคนจะเกิดแหลงแขนอึบอยากหิวโทคือกันพูดเหมือนกันแต่ มีคนละสํานวนกันคนบ่มีศิลธรรมบ่หักพร้อมตอมสุ่มซุ่มแซงเสือเห็นกันบ่หักโขกกันแล้วเคอจังก้นต่างบาทเป็นหนานายสอางฝูงมูลดินแล่ฝ่าผลลมบ่เคอเกา่าเป็นมโลดถดเถ่ามาแลวกะเหล่าหายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการวาตาวายันติวิตมังเรียกว่าลมก็แปรปวนพัดไม่สม่ําเสมอเมฆตั้งเข้าทํามินมืดฟ้ามวดินเหมือนพายุเปรจะทลามบ้าน ทางท่าแสะปัททิวทางชมพอนบันเราแต่เสร็จแล้วไม่ตกกับลมแปลปวนพัดไปต ก, กที่อื่นอะไรทำนองเนี้ยข่าวการในนาก็เลยไม่งามพ่อฝนฟ้าไม่ตกต้องตามระดูการลมแปลปวนเหลือเกินมืดมาแล้วก็ไม่ตกยังเรียกว่าเป็นมลูดถูดเถ่ามาแล้วก็เราหายเป็นทีอัศจรรย์แฉเวหาอากาศฝนบ่ห่อมหยาบหยอยหน้าหัวห้สวน โชคสิ่งหล่วนเสื่อจายขายกันเป็นของไผ่ของมันหลวกแม่กันกระขายเสื่อไผ่ซื้อเอาได้ของกันได้เป่ามีแล้วขี่แกะแต่ตารางเหล่าเอาไว้แหลกกระบอกเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ลูกเต่าจะต้องซื้อกันเพราะมันอดมันอยากอดอยากภายนอกยังไม่เต่าไหลจิตใจมันขาดแคลนสินทำมีแต่ความเพี้นแก่เนื้อแก่ตัวเจ้าอยากได้เจ้าแท้ทุนเอาเดอ้ออีเมลคอยเสื้อมมาทอนี่พูดอย่างนี้บวกกำไรเข้าไปเรีว พ่อแม่ก็จะต้องลำบากล่ะที่นี้คนไม่มีสิทธิ์มีทำไม่คํานึงถึงกันแต่ก่อนนั่นขอกันกินนุ่นก็พี่นี่กันน้องปองดองกันหนักหนาขันจะไปบ้านไต่ขอฝากหอเกลือขันจะไปบ้านเนื้อขอฝากหอเข่าขันเป็นเจ้าอยู่บานขอฝากจังหันพอบน้งของผ้าเพนแกีมูสังโคเจ้าเข้าเป็นบีนองบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคิรนเจ็บเป็นเพลิงผ้ากันด่าย่างเมื่อมอและนั่งมุ่ยห่มกันเหมี่ยนข่าบสงสวยสมจุดผอมสะการหายทรงถึง แต่พอสินทําเติมตามคนหนึ่งไข่ปะงาบปะงาบเกือบตายอีกบ้านหลังเหมือนกันๆมันเปิดสเตอริโอสตริงคอมโบหรือดิสโก้เทคชึ้งชึ้งชึ ง, งมันจใจหัวใจวายตายไม่เห็นอกเห็นใจกันคนหนึ่งชวนจะตายคนหนึ่งกําลังสนุกสนานกันเต็มที่ซึ่งลักษณะอย่างนี้มันมีมาไม่ได้ถ้าหากคนมีสิลมีธรรมจะต้องเห็นอกเห็นใจคิดดูเราเราก็จิตคิดดูเราเขาก็ใจปูกื่นใดหรือจะสู้ปกใหม่ตรีดีกว่าพานคนโบาลาณ น, นั่นพูดอย่างนี้ นี่ไม่เอามันซื้อกันกินขายกันกินแม้แต่โลกกับเต่าพ่อแม่ขายกันขี้แกบอยู่เตะตรางเหล่าเอาไว้แหลกกระบองเดี๋ยวนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถวิ่งมาแล้วมาซื้อขี้แก็บมายย่างทางแถวสกลนคร บ, บ้านของข้าไปเจ้าอาตมาในห้วยขี้แกบไม่ได้ทิ้งแกบเนี่ยรถมาซื้อเอาไปเผาเกลือเอาไปต้มเกลือแน่ก็เลยบอกว่าคนทำไมต่อไปนู่น นจะต้องมีแต่ซื้อไม่ว่าจะเป็นใครพ่อแม่ก็ต้องซื้อกันกับลูกของไผของมันลูกแม่กันกาขายเสื้อไผ่ซืซื้อเอาได้ของกันได้เป่ามีแล้วขี้แกบแต่ตารางเหล่าเอาไว้แหลกกระบองกระบองก็คือสิ่งที่จุดให้เกิดแสงสว่างเดี๋ยวนี้กระบองไฟฟ้าแตบว่าปลดขายขี้แกบมาให้ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนก็ย่างดี่ไงลงสีสมัยก่อนะมีลงสีใครอยากได้แกะเอาไปเผาทานไปละป้ายไปคนเอา เดี๋ยวนี้ไม่ได้จะต้องซื้อเอาไว้แหลกกระบองเอาไวจ้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขายแกบเป็นค่าเป็นค่าไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเป็นไดปันเป็นใดปันลงสีเลี้ยวลงสีไม่ต้องใช้น้ํามันต้องใช้ไฟฟ้าคือใช้กระบองกระบองคนอีสารก็คือสิ่งที่ให้แสงสว่างคือไฟฟ้าสมัยใหม่พ่อจะสั่นกีแกบเตะตารางเหล่าเอาไว้แหลกกระบองขายแกบที่สีข้าวก็ไปให้ค่าไฟอีกไม่ไ ด, ดีไปอย่างเนี่ยความฝันอย่างเนี้ย มันเปรียบเหมือนคนจะไม่มีสินมีทํามฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเห็นไหมเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าไม่เหมือนเก่าแล้วไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนมนุษย์ในโลกนี้กําลังดูดเอาแก่ธรรมชาติฟอสซิลฟิวเอ็นเอามาพวกน้ำหมูกน้ํามันมาเผามากันตัวโรงงานอุสตสาหกรรมอะไรต่างๆทิ้งน้ําเน่าลงในแม่น้ําลําคลองกลิ่นตลบอบอวนเหม็นฟุ้งไปหมดนอกจากนั้นน้ําก็มีพิษเพราะวา่าโรงงานต่างๆ ระบายน้ำเน่าลงสู่แม่น้ำปูปลาก่อนดู่ไม่ได้มันตายมันเป็นพิษไปหมดเห็นไหมเนี่ยแล้วฝนฟ้าจะให้มันตกยังไงปลาดิบดงดําหุกเขาป่าพงดงดอนถูกทาลายเกลี้ยงอาตมาไปเทศที่จังหวัดตาน้องบอลแต่ก่อนเคยเดินท่อมๆสมัยก่อนเคยเดินน้องบอล น, นาวงบ่อไร่เขาเคือไว้ที่เดินปลาดิบดองดําคนเขาขุดพลอยเอาคนขุดเอาเอามาล้างเอาเดียวนี่วูย่ารถแบกโคมาขุด แบบโฮมาโคดเอาเครื่องร่อนเครื่องตะแกงภูเขาสูงสูงหมดป่าไม้ยังไม่พอภูเขาเตี้ยเนี่ยผู้ใหญ่พาแพ่นล่า น, านตัวเตี้ยตําปูปลากั่งหูวบินบนพญ่มเมฆแล้วบาทนี้ปลากั่งจะบินบนถอยดูคนโบราณบอกว่าหนูสิงทํำตะบ้าหาแม่วกดกําก่มขาผู้ใหญ่พาแพ่นล่า น, านตัวเตี้ยตําปูปลากั่งหูวสิบินบนพญ่อมเมฆ ภูขเขาใหญ่หญ่พากันขุดพอยลาบพนาศูนย์เลย ผ, ผู้ใหญ่พาแพรลานตัวเตีดตําปูปลากั้งหูบินบนพนยโยเมกอาจจะหมายความว่าต่อไปนี้คนอาจจะมาซื้อเดี๋ยวนี้เราเคยสั่งปูสั่งปลามาจากเมืองนอกป้าพวก ปลาหนินปลาในาปลาอะไรต่างๆปลาจากหยิบบนปลาจากเมืองนอกปลาจากเมืองจีนเอาขี่เครื่องบินมาเลี้ยงไว้ในตู้ให้คนดูมาเลี้ยงให้มันใหญ่โตต่อไปปลาตั้งบ้านเราอาจจะบินไปเมืองนอกมันไม่เคยมีเขาอาจจะเห็นเป็นสิ่งแปลก ป, ประหลาดขึ้นัมามันเป็นไปได้หลายด้านคนไม่มีสินมีทำทําลายปลาเขาลําเนาภายหลังจากนั้นฝนตกไม่ตองตาเรดูการถ่าตกมาก็ตกมาก ไม่มีอะไรคอยดูดซับภูเขาพังทลายทับผิดน้องบ้านกระทูลปักใต้บ้านเราลมพัดไม่สม่ำเสมอพระพุทธเจ้าบอกคนไม่มีสินไม่ทำไปดูเอาแก่ธรรมชาติมาเผาโรงงานแก่แต่ใครเคยไปเมืองซาอุอาระเบียไปดูที่นูน้นซาอุดีอาระเบียที่เมืองเช็กกัมไปดูที่โฮฟุปที่อุสมานิยา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 แทบเลิกแคมนอนสวาโซในภากันตายเพราะร้อนในอเมริกาในอิตาลีต้องอพยยที่เียว่าแอ็บเบลลอนเบนเลฟูชิคืออพายยบลีนี้ภัยจากสภาพแวดล้อมความฝันของพระเจ้าปัสเซนต์ตีโกสนก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาฝนฟ้าจะตกก็ไม่ตกแข่งแรงถึงหน้าร้อนเสือกตกถึงหน้าหนาวเสือกถึงหน้าฝนเสือกไม่ตกอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ย ความฟันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะเป็นปัจจัยแก่โลกปิยโลเ ก, กอนาคตามิงในในอนาคตโ น, น้นอนาคตสามิงคนไม่มีศีลมีธรรมโลกจะเ่เราร้อนเหมือนจี่ไฟโลกที่เกิดเดือดหอนไฟสม่จีเผาเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการหายใจนะประเทศที่จเจริญอย่างประเทศยีบุญอย่างประเทศฝลังมั่งค่าจะต้องมีโรงกันอากาศใส่ถุงดมคือดมเกาว มันมีแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นแล้วหายใจกันไม่ออกไม่ต้องไตต้องไตไปแค่กรุงเทพเนี่ยอาตจมาไปเทศนี่อยู่ไม่ได้ถึงสามวั น, นเทศจบแล้วรีบกลับมาหาย ใ, ใจบม่อิ่มเลยบอ่อยูง่าบงา บ, งาบคือป่านี่นอนอยู่ในห้องเหมือนกับอยู่ในกล่องไม่ขีดจะอาศัยแอร์คอยดิชั่นถ้าออกมาจากนั่นก็กโอ้จะตายให้ได้เลยหายใจไม่อิ่มท้องมนุษย์กําลังเผาโลกให้เรารอนโลกสิเกิดเดือดหอน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 ท่านบอกว่ามันจะเกิดเดือดห่อนทั้งข่ายแผ่นดินคนจะเกิดแรงแข่นอึดอยากหิวโซ่คนบอมีสินทำบ่าหากักพร้อมตอมตุ่มซุ่มแซ่บเสือเห็นกันบห่หักโหกเพือจังคนต่างบ้านเป็นหนาหนายสาอางพี่น้องก็ไปมีความเห็นอกเห็นใจฉันก็ยากได้แก่ก็ยากมีฉันก็ยากเป็นแก่ยากเด่นฉันก็ยากดังแย่งกันโย้ยเป็นพี่เป็นน้องกันที่หนได้ถ้าหากเราไม่มีถึงมีทรร ขีแกบแต่ตารางเหล่าเอาไว้แหลกแต่บอกเอากันเฉยๆไม่ได้ต้องขายกันแล้วดีวนี้สมัยย่างกันซื้ออย่างกันขายซื้ออยู่ซื้อกินทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นข้อที่สองฝันต่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบนว่าลูกขาฝันเห็นต้นไม้แค่คือเป็นดอกแค่สอกเป็นผลมันจะเกิดอาเพศเหตุภัยอะไรมันเล่าพุทธเจ้าฟังกอที่สองนั้นฝันเห็นหมูม้วนลูกขา เป็นดอกผลผลาตัางแต่เ่าแง่หน่อยกบพอท่านฟังแหน่สั้งมาจีจูมดอขาดพอท่านย่างเพืินสั้งมาปีนฟงไปคอนี่ได้คือมูสดตีส่เกิบ ม, มีตันหาต่างแต่งมามแงหน่อยซอยไหวหนาเห็นสายสิหักหัวพ่อแต่น้มตุ่มตักให้เขาขันเนียงใบกวาา่าสั้นคอยเวลานั้นบอกว่าพอจรอขึ้นมากะ นมตุมตั่งให้เขาขันเนียงบใบบ่มีอายไผ่แฉะตันหาหุ่มห่อพ่อแต่จอลอขืนแสวงสู่สวกสานีแต่ก่อนอายุสิบเอดสิบสองปีแก้ผ้าโดนน้าตูมตูมเ้วยกันได้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้หนังมันสอนตัวรัฐมันสอนรักกันก็วิ่งเข้ามากรดกันแก้ผ้าเข้ามาห้ากันถ้าชังกันก็ลากบิรนล่ามีดวิ่งกันไปแทงกันยิงกันฆ่ากัน still be led in moo c h a สอนให้รักง่ายให้โกงง่ายให้เกลียงง่ายเกิดตันหาราคะมันเห็นใน หนังในมุ้งในหมอนหวยอายุหกเจ็ดปีมันก็จะเป็นผัวเป็นเมียกันได้แล้วทุกวันนี้เอาไปไหว้ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรสิ่งที่ผู้ใหญ่จัดสรรขึ้นมาหนังเอยละครเอยทีวีโทรทะัศน์อต่างๆรายการที่มันด้วยย้อมหมอกเมาจิตใจบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งเอานังมาใช้ไม่รู้หนูอยากลองบางทีก็เขียบว่ารถสวาดชายสู พากันไปดูแล้วเกิดสาวรุ่นจใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่ไมา่าใจปั่มผู้หญิงผัวเพอจะเป็นสาวอยู่เลยขอให้ผัวคอยไปเมืองนอกสมเงินมาก่อนเด้อไว้จะพาเจ้าไปเที่ยวรอดนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นคนบารานจึงเล่าเรื่องนี้เอาไว้เมื่อพระพุทธเจ้าทํานายให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลมูลสตีสิเกอรมีตันหาต่างแต่ย่ำยังหน่อยซ้อยวุ่นหนาห็นใต้สีหักหกแล้วพอเตะนมตุมตังให้เขาขันเนียงใบ บ่มีอายไปแท่ตันหาห่มห่อพ่อตะจอรอขันสาวแหวงสวสวดเสน้ยิงจะไปหาแหลนแตงวนใ่ายส้มบาหักผู้ได้แล้วสิบผาทะยานเต็นแหล่นน้ำยิงแต่สวยสิปีซิมีหลวกเคอจังพลาหมากใหม่ที่ฟันผอพบเห็นแท้แล้วเห็นไหมผู้หญิงตัววันนี้ชอบใครละไปหาแล้วยอดรักคิดถึงเธอจังเลยงามอาบุญตะกอนโวยนังสับหลับ อู่ใกล้ภูเขาผููบ่าวจะคุยกับไหววาดไหวเซิงคืออย่างนี่โอ้ยเจ้าภูบัวบานบางกลางสะพังต้นเปียวโพงามเอ๋ยฝุ่งมูแม่แงผูกผสมกัวกินละอองสาธิแนวดวงคอมหนีหย่านบานดายเดี๋ยวเปล่าเดชคูคูโคแห่งงามแหล่งสีหล่นไดผู้จีบผู้สาวเหมือนบัวอยู่กลางหนองงามอยู่กลางหยาดติพี่น้องเข้าไปลามเลียไปล่วงเกินอะไรไม่ได้ก็เลยพูดฝากไป กลางสะพังต้นเปียวแม่ฮังภูเผ่งประสงก์กว่ากินละอองอยากคุยอยากพูดอยากจ่าเหลือเกินดีเหลือเกินขนมรำเนียมประเพณีเป็นเท้าหนี่ทำเนียมให้มันคองตีนผ ม, มนนให้ลำเพียงปีนติดให้ลำเพียงจะไหมนี่นุ่งส่งขาเหีนเหนาวเก็บตายเสื้อกันในไม่อยากใส่วิ่งไปหาชายยามเวลาเอาบุญเอาทา น, น่วยให้คิดถึงเธอจังเลยว่าเข้าไปทำมันเป็นอย่างนี้นนพราะเห็นนั้ น, นคนโบราณท่านก็นเลยพูดเอาไว้ หิงจะไปหาเหลมไปงวนไส้ส่อมเบาวหักผู้ใดแหลวสิเปล่ า, าทายงานเต็นแล่หนําพ่อแม่หา้ามอย่าไปเด้อลาเด้อบุญบ้านนั่นบ้านนี้มันบดีท่าเอาไปไปบุญบ้านท่องเฮ้ไปจาหน่อยก็ไบดบ้ชุดเยี่ยวหนึ่งถ้าพ่อแม่ห้ามหนักหนักก็อย่าบอาไรเด้ไปหนีบ้ามากก็ได้เด้เราจะเห็นหนาคนในเหนนื่นเม็ดเอพ่อแม่ก้มหน้างอเ ง, งอนลูกนั่นเป็นอย่างนี้ หลังแกนักคนโ บ, โบราณยังบอกว่าหญิงใต้สวยสิบ ป, ปีซิมีโลกคือจังพลามากแม่ที่ฝันพอพบเห็นซะแล้วแต่ก่อนนั้นไปจะไปคุยก็ลําบากเดียวนี่ผู้หญิงเข้าไปหาผู้ชายเลยคนโบราณยิ่งทางประเทศลาว เ, เขาเขียนป็นกาเป็นก่อนเขาไม่เขียนเป็นก่อนแบบแบบพูดง่ายๆเขาทําเป็นเป็นกาแบบให้หมอลาเขาลําอ่นี้ข้อที่สองนั่นฝันเห็นตนไม่อ่อนออกดอกจงจีนี่ก็าปานชดตีหน้าดีหน่อยนเพื่อว่า พ่อใดไงข้นมาจะรออายุสิบสองเรียงบังหัวนมพ่องพ่อทอกำปั่นจักว่าหายจะพยคันก็เลยไงเลื่อยถึงป่ะท่านหน่อยกาให้เขาดึงมนีหลูกอ่องลองคันแม่นค้วยกับพ่อท่านหูฮองหูขาดหูไทยต่อไปทึงสมัยพ่อทอสองปัญหาพวกมูเขาอีหล่าหน่อยนุ่มหน้าดี อายุเกสิบปีสิเอาผัวสอนบอนกันเลยได้ลูกอ่อนหาแเอลกินนมพระองค์พระโคโดมเห็นแล้วจนเปิดแล้วก็ให้ซ่อมเบื้องเถิดสีแมนบอลหรือไหนอันนี้ประเทศลาวก็เก็นยดพายอยางดีนะในประเทศลาว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้ยินทางฝั่งนูน้นบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองศาสนาหมดกําลังสุดทั่วภาพได้พบพระหนุ่มเนน้อยพระผู้เท่าที่รักศาสนาประเทศลาวข้ามา มาฟังเทศฟังธรรมก็โอ๊ยอาจจะมาถามหาเป็นยังไงนาะทางโน้นคิดถึงเหลือเกินพี่น้องเราเป็นเมือนเก่าเมือนก่อนไหมท่านก็สา่ายหัวโอ้ยผมก็พยายามที่สุดไม่รู้ว่าจะเอาคืนมาได้ขนาดไหนเหลืองสาสนาแต่ว่าผู้เท่ายังสนใจอยู่คิดแล้วก็น่าสงสารพี่น้องเราแท้แท้และก็บอกว่าใหม่มีผ้ามีผ่อนบอยอาตมามีผ้าคุมจีวอนเนี่ยบางทีเอาให้เบลเจตตไยแปลไตาเอาไปนะ อย่าไปคุมไปหอมคนเดียวจะเอาไปขายได้บาปตายเลยบอกได้ไปแล้วเอาไปแจกครูบาอาจารย์เด้อคนไหนไม่มีองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชีวัดจะมีคนมาขอบูชาผ้าบูชาไปไหนบูชาก็คือซื้อจะมาซื้อเอาผ่านราคาถูกเลยจะไปย้อนบึ้งสินไปลงตรงโน้นตรงนี้ให้คนมาบูชาอ่าละมาบอกไม่ได้ชีนี่ซื้อไม่ขายไม่ใช่มีเพื่อขาย ถ้ามันเหลือไว้ก็เป็นพันธาคาลิกส่วนกลางภิกษุองใด้มเนเนองคใดไม่ว่านทำมยุทไม่ว่ามหานิกายขอโรจนมาไม่มีผ้าอาตมาท า, ทานให้ทานให้ทานให้สบายใจอย่าอาไปซื้อไปขายสิ่งเหล่านี้แต่พวกอย่างเนี้ยทางเมืองลาวของเรานู่นเก่อเหมือนกันเดี๋ยวนี้พระสาตนาก็มีคนคิดจะฟื้นฟูให้คนเข้าใจแต่ก็ไม่ คอยเป็นคอยไปครูบาอาจารย์เอ้ ย, อยครูเอ้ยอดเอาเด้อคอยอุดค อ, คอยเหยื่นยั่งสิได้ตอนค่ำเพลินเนื้อตกไตเบิดแห้งพอดีทาผ่าโบเข่าฟันเจ็บไหวแต่ไกลไม่ต้องไปกัดเขี้ยวกัดฟันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันบุญมีแค่นี่วัฒนามีแค่นี่คอยทํำคอยไปเขาไม่เข้าใจเม น, น, นติดตามทวนไตยังแสงแจมหงุ่งฟุงมูชาบอดใบเขาสิหัหอมได้ ให้เจ้าจุดตะเกียงไหวคนตาดีสะเห็นหูส้มฟมงหวาไปเขาบอกหูกรสร้างเขาแข็งว่าผู้หางไห่เศร้าเมืองสีหหูเมื่อขิ่งหรือตั้งสตคิดแต่เด็กหูว่ามีแข่เหงือกงูคนตาบอดคนวิชาทิฏฐิใจบอดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พูดอย่างไรจนตายพระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกันห้าร้อยองค์ก็ช่วยอะไรคนพวกนีดดไ้ไม่ได้เพราะจิตใจเขาบอดใจิตใจเขาไม่ยอมรับส่วนคนที่มีสัมมาทิฏฐิรู้จักผิดเป็นผีดรู้จักชอบเป็นชอบมีสามัญตํานีกคิด อะไรละเอียดลึกซึ้งบุคคลเหล่านี้ก็สามารถจะได้รับประโยชน์จากสินจากธรรมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเฮาเดอทางประเทศลาวโพ้นจังไดก็ตามให้คอยอดคอยทอนขอยอ ด, อยอยอดอยเก่าเนื่องยังสี่ไหนตอนคำเพื่อเนื้อตกแตงประเทศพอดีทาผ้าบโบห่ให้ฟันเจิมไว้แต่ไกลความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดังกล่าวมาแล้วกับกลายเป็นเรื่องที่มันเป็นความจริงขึ้นมาในยุคในสมัยนี้ทุกวันนี้ กระดังที่เก่าวแล้วเด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆรู้จักความสัมพันธ์ทำเพลงีทางเพศอะไรกันเพราะว่ามันซ้อนกันเหลือเกินหนังเอ่ยละครเอ่ยอะไรต่างๆกาละนับมือสวยหลายปีเป็นอันต่างพระเพนเทศเทศไหวพ่ายสวยสาตรนาญิงไสสวยสิบปีสิมีโรคหนักปากผมแมนน่น้ำนาที่กว่วงขาดเคิรนเดี๋ยวนี้เดยกไปพาออกโรงพยาบาลมีแล้วมีข่าวเล่ากันมาเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆมีผัวมีโูกกันนั้นเป็นอย่างนั้น เนื่องจบาบากิเลสตัณหามันได้ถูกปุกเราซิวบิเลออิมโมชั่นให้มีความกำหนัดขยายอายุตนาคารเซฟชั่นต่าง้ขึ้นตัวเล็กๆตัวน้อยๆรู้จักเรื่องราวเหล่านี้เพราะเหตุนั้นท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเอ่ยละครเอ่ยนั้งโป้นั้งเปือยเอามาใช้ให้ลูกให้ล้านดูเห็นแก่เงินแก่ทองแต่ความเสื่อมเสื้ออย่างเสื่อมเสีย อ, อย่างลึกซึ้งถึงรากฐานแห่งศิลธรรมลูกนับวันจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จไม่เคารพปูบาอาจารย์บาดเบืองขาดระเบียบวินยัย มันดูตัวอย่างจากหนังพระเอกนางเอกก็ดีตัวโกงตัวผู้รายการต้นรถทัวร์ป่นธนาคารกี่เครื่องบินมันมีแล้วอยู่ในหนังจึงทําให้คนเนี่ยรู้จักทำในเกอานาคตัสามิงจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตไม่ใช่เป็นในขณะ น, นี้แล้วก็ดังที่เราได้พบได้เห็นความฝันข้อ น, นี้ก็เป็นจริงขึ้นมาที่นี้มาดูความฝันข้อที่สาม สึ่งพระเจ้าประเสนที่โกวสนท่านฝันั้งหมดส6ข้อดังกล่าวแล้วซึ่งมันฝันแปลกประหลาดส่วนข้อที่สาบนั้นภาษาบาลีว่าคาวิโยคาวิโยอุสุภาลูกขาคาวิโยควาจะหมายถึงว่างวังวแม่งัวขอกินนมกับลูกมันคนโบ ร, ราณอีสานบ้านเราฝังทางประเทศไทยเขียนไว้ตามลุ่มลาน้าของเป็นวรรณกรรมอันเลิศอีกอันนึง เึ้เขียงไว้ว่าคอที่สามนันฟันเห็นง่วแมงง่องคอกินนมน้หลูกเอาหัวหมดเข่าทองง่วหน่อยเกิดเมื่อวน่นมันกระทงยานโตนเต่นปบนี้จากแม่ส่วนร่างหวบแมงง่องทำงานเติดแหลนเป็นดีอัศจรรย์แฉว่าเคยเห็นต่างแต่กเก่าพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าพ้ายสอยศาสนา ฟ้องงูกูมาล่ากูมารีพผอมบอกฟังความพ่อแม่ซะแล้วเลี้ยงใงี่เหล่าคุ้นเถากัะเราเริ่มเขาจะพากันหายติเตียนพ่อแม่สอนสั่งเเ่าทั้งหให้จึงจำให้เจ้าจีาไว้แต่มนีไปหาเจสาตายท้อแล้วเจ้าทลายพยายาดุ ด, ด่าพ่อแม่อย่างนี้จึงบอกว่าสอนสังเเ่าทั้งให้ให้เจ้าจำแยมได้พ่อแม่เห็ดเถอขอเบาแมนใจเขา เขาจังสีเห็ดน้ำทำตามลำดูลิงเหยียมขั้นย่ำใดเขาโบโซดาด้วยสองเครือกันดังเจ่าขันนาเขาฟ้าแอมเส็จน้ำตาภาวนาให้พญากำมาเดินจองไปถอนเถ่าแก่เล้วเขาบ่เลี่ยงควยอยากตายอยู่ญากรำพญาเวนเอ๋ยมาเอาภูเขาไปถอนเลี่ยงเข้ามาผ้าเขาใหญ่เขาสั่งอีเถ้าเดียกตายได้แหละร้องไข่ ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยทางจิตใจหวังจะพึ่งพาอาศัยลูกเต่ากตอตของดูด่าเขาบุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความมีความเป็นการได้าการเสียเห็นพ่อแม่เป็นตัวทวงความเจริญเออนี่มันจะเป็นอย่างนี้คือคนไม่มีสินมีธรรมมันเลืมหมดคนโบรานจึงบอกว่าสองเครือเถาเนี่ยโซดาด้วยสองเครอเลยนางเจ้าหันหน้าเข่าฟ้าแอมเสร็จน้าตาภาว น, นาให้พระยากรรมมาดึงจองไปทอนเถาแก่แล้วเขาบ่อเหลี่ยงไปอยากตาย เขาบ่ซอดาด้วยดอมคุณพ่อแม่หัวงอกแล้วย่างใส่ให้เฮ็ดงานคือจังเฮ็ดรับจ้างพ่อได้อยู่ซ้ำตายทำอยู่ทำกินรับจ้างกินซามตายหูงไงยเงี้ยอยู่ไปซามตายรับจ้างอยู่รับจ้างกินไปถ้าไม่ทำเมือ่อว่าเขาจะไม่ให้อยู่ให้กินรับจ้างเลี้ยงลูกเลี้ยงล้า น, ด, น, นดูนู่นดูนี่เท่าบางคนบอกคู่มื อ, นอนเนี่ยได้รับจ้างอยู่รับจ้างกินวางเงี้ย คือถ้าพูดให้เขาถูกใจเขาก็เอาเอาใจให้อยู่ให้กินถ้าพูดไม่ดีไม่ถูกใจเขาก็ด่าเขาก็ว่าให้ดีไม่ดีไม่ได้อยู่ได้กินจนเมื่อยกระว่บทาำดูทํากินรับรับจ้างรับจ้างอยู่รับจ้างกินคือดูแลลกูกหลานเขานี่ดูไปดูมามันก็รักลูกบ้างรักหลานบ้างปอย่างนั้นพอโมโหให้พอ่อให้แม่มันก็อยากตายแต่รักหลา น, นน้อยสุดที่รักก็อยากอายุมันขวัญดืนเนี่ย หัวอกแล้วเขาใส่เห็แห่งเห็ดงานคือจังเห็ดรับจ้างพ่อได้อยู่ซ้ำตายหวังเสียอาใสยแห้งเพิงผ้ายามเถาย่ามเมื่อสังขารสวยแห้ ง, งน่าลดลาเป็นแห่งทุกซ้าเถาอยากตายถิ่มก่อนง่ายเด่นะ้องอ็ไปซะเลี้ยงไงแล้วหวังกินแห้งน้ําโลกพัดมาดูถกเถาน้าตาหย่อยเงาไหลหัวอกพ่อแม่นั่นคือไฟสมไฮยามลโลภดูมินหายสองเถาอยากแต่ตาย เสียแห่งเหลี้ยงปูปลาสินตอนโูกเอ้ความได้ดีพ่อแม่เบอกอินอ่อยอ้อยเจ้าหาบอบวันนอนบัเจ้ว่าจะตัดสังมาขมเขียดดาพ่อแม่เด้บัเธอบอกเกี่ยวสู่หวานอ่อยกับอบอปานมันหักเลือแห่งเขาถานอมนุมปล่อนน้ำมตัางแต่แั่งนุ่นน่อยเพียรเลี้ยงใครไงสูงทั้งพ่อแม่มาดมุงอยากหวังเพึง่งงามฉลาดแพงปานกับนวยตาต่างแต่งามยั ง, ยงหน่อยจึงได้ก้อยใจ จริง ก, ก้อยแห้งเหลี่ยงถนอมนมปอมอม้าบัตหาเหลี่ยงในแล้วคุ้นเถ่ากะเล่าเรื่องอันนี้พูดเอาไว้ในตำนานทางอีสานบ้านเราเป็นกอนฟังแล้วไพเราะสลาะสละ ส, ะ ล, ะ ส, ะ ล, ะสะลวยดีคำฝันข้อ น, นี้เป็นคำฝันข้อที่สามฝันเห็นงวออกโลกมาแล้วมันก็เอาหัวมุดเข้าท้องน้อยจะไปกินนมลูกอ่อนๆมันลูกมันก็วิ่งหนี แม่มันก็วิ่งตามงอนงอขอกินนมความจริงลูกมันจะต้องกินนมแม่แต่ตอนนี้แม่กินนมลูกมันฟันแปลกประหลาดอย่างนี้ก็เลยถามท่านก็นเลยเล่าให้ฟังในอนาคตการ น, น้นคนจิตใจต่ําเสื่อมซามลืมพ่อลืมแม่มัวเมาสยบอยู่กับกินกลามเกลียรักหัวรักเมียจะลืมพ่อจะลืมแม่รักทรัพย์สมบัติรักลูกรักเจ้า อะไรต่างๆเห็นพ่อแม่เป็นตัวถ่วงความเจริญบางทีผู้จะกระโชกโคกห่างให้พ่อแม่ต้องร้องขอบร้องไห้ช้ำอกช้ำใจหัวใจสมสมของผู้เท่าตกนานลกซ้ำเท่าเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านล้านมาเต็มเมืองแม้ปาตนาและเกิดลูกเอ๋ยยามแก่เท่าหวังได้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามเจ็บไข้หวังได้เจ้าเฝ้ารักษาเมื่อเวลาถึงข่าวตายวายชีวาหวังได้เจ้านี้มาปิดตาเมื่อสิ้นใจ ก่อนจะตายพ่อแม่ก็ตายตาค้างเพราะตาค้างหนึ่งเครียดแทนลูกมันไม่ดีแล้วก็เป็นห่วงอยากให้ลูกดีกลัวคนอื่นเขาจะเกียดชังกลัวจะเป็นพิษเป็นภัยตาค้า ง, งลูกคนโน้นยังไม่มาคนนี้ยังไม่มาตายตาไม่หลับเป็นขอวงลูกถ้าลูกมาถึงมาบอกแม่เอ้ยพ่อเอ้ยมาแล้วหนูมาแล้วผมมาแล้วขอให้แม่สบายใจแม่เอ้ยตั้งอกตั้งใจดีๆพ่อเอ้ยแม่พ่อยิ้มยื่ไหน มุมปากแล้วสิ้นใจตายลูกคนนี้ก็ดีลูกคนนั้นก็ดีมีงานทำเจี๊อกฟังพ่อแม่ถ้าอย่างนี้เลยว่าปิดตาพ่อแม่ตายอย่างหลับตาเดี๋ยวนี้มันไม่ปิดตามันทําให้พ่อแม่ลืมตาโพงลูกชาวบ้านทําไมดีเหลือเกินหนอะลูกเราทําไมเป็นอย่างนั้นเยพูดไปพ่อมาดีๆเห็นพ่อแม่เป็นตัว่วงความเจริญไม่อยากให้อยู่ให้กินลุม่มหลงกันอย่างนี้พ่อแม่ก็งอนง้อโย่ออไปวันๆอย่างนี้ก็มีคนจิตตจำใจสามขาดสินกาดทํา ความฟันนี้มันจะได้แก่โลกนิดในอนาคตทางประเทศลาวเขียนเป็นกาบเป็นแบบมอลำข้อพยาหาวัญญาคูลำนะหวาวาพระลำเราให้ฟังว่าทางประเทศลาวก็ไม่บบาวคูบาอาจารย์สมไมก่อนท่านเขียนไว้ข้อที่สามองค์พระจม องพระจอมไตรเจ้าปัฒเศรษฐีละสร้างฟันประหลาดแฉเห็นแม่โควิ่นแลนดไปเที่ยวขอกินดูดนมลูกอ่อนอันนี้ก็ทิศแต่ก่อนของบ่เคยมีนี่ก็คือสตีหน้ารี่น้อยนุมเกง่งเขาบ่ฟังควงเถ่าพ่อเมย์ตังสอนเกิดเป็นคนจงองห้องหากินปิ้นไปเขาบ่เอาใจใจ น, น้ำขวบน้ำขัาวขออภัยเล้วจะหาว่าพะล้ำน ะ, ะมันมันมันพูดอย่างอื่นไม่เป็นเขาเขียนเป็นกาบอย่างนี้มันก็ต้องออกเสียงอย่างนี้ไปอย่างเงียบ ไม่เป็นกรนแบบประเทศไทยเราครับบอกว่าเอาใจใส่น้ำขอบน้ำขั้วใหญ่ม้าแหลวเขาก็เลยแล่นน้ำผัวหากินปิ้นปอกปะไฮเทาหัวงอกหนึ่งเขาเอาพื้นหอดบม่มียามยืนย่ำนอนย่ำนัง่งข้อไพ่นะไม่เชลามทางประเทศล า, าวา่จากนี่คือต้นไม้ใกล้ฟังคล้องแต่วันตายทางพม่ากะไม้กินแห้งน้โลกเขาเลยกลับดูถูกบอกเอาถามหาหัวอกของมารดาปานไฟซุ้มไฮ เยแห่งเลี้ยงจนใหญ่สิ่งจีปา้ปเาเผาบอดวแลนด์น้าเขาความเดียวกับว่าคนโบรานทางประเทศลาวนูน่นฮันพูดอย่างนี้เป็นกาบเป็นแบบของหมอลําหมอลํำสมัยก่อนเขาเอาเป็นลําเรื่องราวพุทธธรรมนยัยเขาเป็นลําเป็นก้อนทั้งสั้นบางก้อนทั้งยาวบา้างแตทําเป็นกราบก็เอาเป็นก้อนทั้งสัน้นครับเอาว่าทั้งยาวก็กอนยาวกอนยาวก็ลําเป็นทั้งยาว คนฟังสมัยก่อนเข้าวัดเขาว่าฟังหมอฟังห ม, มอลํากอนก็นดีฟังหมอลําพื้นก็นดีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องทางศีลทางธรรมทั้งนั้นทําไม่บุคคลมีจิตใจสูงส่งอายชั่วกลัวบาปเพราะว่าในมหรสับันเทิงต่างๆนั้นมันกลมไปด้่อบรรยากาศแห่งศิลแห่งธรรมซึ่งมันไม่เหมือนทุกวันนี้ดูกันจนตาเหลวเป็นชั่วโมงยังไม่รู้ว่ามันเป็นหมอลําหรือมันเป็นสตริงหรือมันเป็นอะไรไม่สามารถจะรู้ได้ เสื้อผ้าเอามานุ่งยังไม่เสร็จเลยยังเก็บไม่เสร็จขาดหน้าขาดลังชะเวิดชาวบานยกค้ายกแข้งเห็นกางเกงในเห็นอะไรแหลกออกมาจากเนี่ยผูเท่าก็ตัญหากับเท่าหัวงูเห็นมอสลหมูสาวๆก็ทําอย่างนึ้เกิดผาเปิดพาตั้งแก่งสวาางม่ตาจังวาวหัวเส็บหน้าแจงแจงงานกันนอไอไว้ท่านซากะโยงโคบางเป็นลืมชาติกลายเป็นผู้โอโบเป็นผู้เท่าโอ้ยจันโออ้าวคือเห็นข้าวยีงนุ่มทีโอจันเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้น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 โตเดียวสองปากวสันองค์พระบาท ท, ท่านเท่าปัญญาใหญ่ปเสนสางฟันเห็นเมื่อนอนคันิ่งได้ฟันเห็นอาชนะมาโตเดียวสองปากายดากทั้งคนขี่มีแถ้ปองเดียวปากหนึ่งเขียวปากหนึ่งซ่อนซับปากหนึ่งกินทั้งงับบัอิ่มเต็มเล่มเกี่ยงเกณฑมันทางนั้นเพลินพระเดียงหัวขออุ ป, ปไม้ให้ภูเได้เป็นใหญ่ในสมัยคังนาคนว่ามีตังอยู่เทียงทำนับแต่เมึองสีปัมขย้ำใหญ่ ขย้ำไัยไหมกินชีนบะมีหน้ายโตสัวซ้มน้าหายได้เป็นนายสิงกะตุลาการทันผูใน้ใหญ่ค่อยแต่ถามหม้ไผ่หน่อยสองขางวางจําเลย่ยเขากะบอกดอกด้วยจําเลยโจดทั้งสองปองกินทั้งชินไหมบอบใต่ตามถ้ำเจา้าห้องพระองค์เห็นแล้วผ้ารุ่นเกินพ่ะแมนแสนประซาภผยหน่อยเขาปล่อยอยู่ทั่วเมืองข้อ น, นี้ฝันเห็นมาตัวเดียวมีสองปาก <c oughs> อาสนัยมาตัวเดียวสองปาก กัดกินเข้าไปใจใจทั้งท่องบอ่ออิงเต็มเอาเข้าปากไหนกินปากนั้นมีก้นเดียวท่านบอกว่าในอนาคตโ น, น่นจะมีบุคคลใจต่ําจิตสา ม, มากขึ้นคนเล่านั้นชั่วก็จะเอาเหล่าก็จะกินบุญก็จะเอาเหล่าก็จะกินเทเก็จะฟังหนังก็จะดูไม่ใช่ปากเดียวซะแล้วไม่ใช่สองปากหรือจะเป็นสิบปากยกตัวอย่างง่ายๆจะเอาบุญจะจัดงานอา้าวตรวจชมกันแล้วผู้เท่าอยากจะฟังหมอลำ โอ้ยอยากจะฟังหมอลำพู่เท่าอยากจะฟังเทศคนนมคนสาวอยากจะดูหนังออกเงินก็มาขันบ่อเลหนังบาทเดียวก็บบอกใครมีหนังหลือเปาออกเป็นร้อยอีกพวกหนึ่งบอว่าขันบ่ได้เบิ่งหมอลำมูบ่อเลฟังหมอลำกรเนี่ยบาทเดียวก็บบอกอกบุญนี่ก็ได้บุญเขาอยู่ที่มหาลศบันเทิงอยู่ที่เรายาทานนังเขาไม่ได้แสวงบุญในเขตพุทธศาสนา้วยการไถ่ทานด้วยการรักษาสิ้น้วยการเจริญอบรมจิตให้มันดีมันงามที่ว่าทานใหมัยศิลามัยภาวนาใหม่นั่นนะ แต่เขาจะเอาแต่ภาพพยนต์ไม่หมอลำไม่ขะไม่มีนังไม่มีหมอลำ ม, มันไม่เป็นบุญค่าควายกินไม่ลาบเลือดซอยแต่สกเล็กกันอย่างนี้เขาจึงถือว่าบุญเป็นบุญนอกอเขตพุทธศาสนาความเป็นอุบาสกอุบาสิกายนี่ว่าคุณสมบัติหประการมีสถานมีเซนอย่างนี้ไม่ถือมองคลเป็นขา่าวเป็นผู้เชื่อกำไม่เชื่อ อย่างอื่นทําดีได้ไดีทําชั่วยได้ช่วอย่างนี้สแสวงบุญในเขตพุทธาธนาทานนามัยสิ้นนามายัยภาวน า, มาไม่สแสวง บ, บุญนอกเขตพุทธศาธนาแต่เขาไม่เอาเรื่องเรื่องเรื่องทานนิดหน่อยเรื่องสิ้นก็ไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นพอเป็นพิธีแต่เรื่องภาวนานั้นหาวงาบเลยไม่ได้สนใจถือเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้า น, นี้เป็นมากี่ปากกันเพราะจะเอาบุญที่เอาต้องลงก็ไม่ได้ต้องเอาทั้งสองอย่างบ้านน้อย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 ตุลาการพูดตัดสินคดีความนั่งอยู่ในลงในศาลหรือเป็นทนายท่นแน่อะไรต่างๆกินมันทั้งโจทกินทั้งจำเลยขอให้มีเงินมาเอามันจะเอาช่วยเธออย่างนู้นอย่างนี้กินของโจดบ้างกินของจำเลยบ้างจนหมดเมื่อเงินหมดแล้วใครมีเงินมากคนนั้นก็ชนะนี่จึงเรียกว่าม้าสองปากพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็อย่าพากันไปเป็นม้าสองปากนะตาก็พร่ำลำพันธ์ถึงสินถึงทําแต่เสร็จแล้วจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเน้นไปที่ทางวัตถุทาง เงินเงินทองทอ ง, ท อ, งอะไรมากมายกายกองกันขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นมาสองปากเอแล้วอยู่ในคราบผ้าเหลืองแต่ความเป็นอยู่นั้นเหมือนกับเทวดาฟา้าดินมีรถเกง๋งติดแอร์ขี่สบายสบายโว้ยชาวบ้านยากไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีกับความเป็นพุทธบุตรหลวงพระพุทธเจ้าผูกมักน้อยสันดษพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดใต้ร่มไม้ตายอยู่ใต้ร่มไม้แสดงทำอยู่ตามใต้ร่มไม้ทั้งทั้งที่ท่านเสด็จมาจากพระบรมมหาราชาวังท่างเจ้าดีแค่ไหนก็ได้ราชรถ ขพระเจ้าประเส้นที่โกศลอยพระเจ้าพิมพิสารเลยท่านทําได้ถ้าท่านจะเอาแต่ท่านจำหมักที่จะต้องเดินไปถต่เข้ามารับถังกลับไปแต่พวกเราเนี่ยแม่นี่เป็นมา ก, กี่ปากกันลองคิดดูคนโบราณจึงบอกว่ากินมันทาง น, า น, นั่นพอเหตุนั้นความฝันข้อนี้จะจริงเทศประการใดดังที่ท่านต่างหลายได้รู้ได้เห็นมาแล้วต่อมาความฝันข้อที่ห้ข้อที่ห้ากุมโพล จะกุ่มโพกุมโพไปว่าหม่อไปว่าม่อม่ อ, มอเขาบอกว่าหายไงล่ไหายหน่อยสี่บ่อเต็มปอย่างเงี้ยองพระบาทแกมเจ้าเน่าแทนบัลลังฟังเสียง ด, ดนตรีรับกอมระบำล่ำฟอดพระก็นอนเครื่อนฝันฟันเห็นประหละดต่างอย่างนี้ตัวนี้มีคาว่าสีคารีขออาภายัยฟันเห็นประหลัดต่าง ฟันเห็นงวดตัวน้นอยๆงวดตัวน้นอยๆยังไม่พอเป็นแอวเป็นไทยเข้าเอามาใส่ฟันเห็นประหลาดต่างฟันเห็นงัวดบด่างต่างแต่ยังน้อยๆเขาห่างใส่ไทยแน่วงววั่วบบ่เคยใส่ไทยกระบอกท่านเป็นมึนมันก็ผ้าไทยเข็นแลนไปตําต่อใหม่ไทยก็ฮักทัางอ่อนสะดอนเลยกขดขี่ทางล่งเดินนางยองหอกต่อใหม่ทางขาควอมฟันนี่อไปพนันนะ ไก่ขอนเครื่องตาธสาธนาพุมนุษย์ในแดนดินบ่อหินตองตามข้องเขาอันบวบุ้งค้นเถา้าสลาการสีป้าปลอยมีแต่เด็กนงมหน่อยสียค่อยขึ้นนางเมืองหน่อยก็เลยเกิดเรื่องเป็นเหตุเที่ยงกันแนวต่างคนต่างกระเทียงกั น, กนไปไผไปมั่นบวกรองกันคันถา่าอุปมาคือนางเอวงอหน่อยเขี่ยเกียงบว ก, กรยใส่หน่อยกระโดนหากใหม่ตาตึงตึงร้องงวงตังงดดวใหญ่ไม่เอามาใช้งานไปเอางอตัวเล็กๆมา มามาใส่ไถยใส่เกวียนมันก็เลยเต้นตะ ก, กันโยงโคงบางทายหักในที่จนมันลากไปไว้ก็ปลดแอกออก ม, มามองดูวิ่งหนีเทพมหัศวันดีเขาบอกว่าคนมีสินมีทรรไม่มีไม่เอารัสเอาเปรียบชาวบ้านเป็นคนตั้งอยู่ในสินในทรรดีงามคนไม่ค่อยอยากจะเลือกผู้หลักผู้ใหญ่มีสติปัญญามีเหตุมีผลคุ้นคิดละเอียดละออเขาจะไม่เอามา เป็นผู้บริหารประเทศชาติเห็นบอกคนซื่อถือพระเจา้าเป็นคนโง่เง่าเตาล้านปีคนชัวตัวกาลีคนอัปีจึงเป็นคนดังคนที่ถือทำเป็นผู้ําต้อยพวกพาละลอยจะเฟื่องฟูชูศักดิ์สิคนที่ไม่มีศิลไม่มีธรรมกล็ล่อนปิ่นปอนนี่ลิ้นตวัดถึงใบใบหูนู้นข้างหน้ากรบหวานไว้ข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขม อ, อย่างนี้แล้วก็เอามาเป็นจะเป็นนายเป็นผู้บริหารประเทศชาติรับสมัคร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 เจริญรุ่งเรืองแห่งตนของตนเองของตระกูลตนเองของพรรคตนเองอะไรต่างๆเหล่านี้บ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ช่า ง, งมนงนันเงินผันเงินผันทั้งหลายเปยื่อยมาเหมือนกับน้ําแข็งส่งมาจากต้นสังกัดเป็นแสนๆมาถึงปลายทางเหลือไม่ถึงใบถึงหมื่นอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับขนน้ําแข็งมาเปื่อยมาตลอดทางเลยนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นความฝันข้อที่ห้าว่าอย่างนี้ ทีนี่มีอีกต่อมาข้อที่หกฟันเห็นโถสถาเปลี่ยงเป็นแผ่นทองแดงออกเป็นแสงแววววแผ่นทองแกมแก้วฟันเห็นแนวมาเหยียนเลี่ยงกันขึ้นไปนัง่งองค์พระฟังผักแหล่าก็เลยเงี่ยในหัวคว่ำฟันเนตได้แก่ฟุ้งบักใบเป็นเยในกุงฟูงขนาดแนวขุนที่ตําลงเป็นหน่อยพากันค่อยดูถอดแงมือผ้าหนพุ่นศาสนากูคอยพ่อไก่ขอนที่มืด ไก่ถึงแล้วในระวังน่ะ ก, กายมันเหม็นส่วนเห็นเป็นจย่างใดกับบอเวนเห็นไ ง, นงนจากมาผ่านพุทธการของหลวงสิหลวงไปผ้าซอยมีแต่ฟงคุหน่อยสิกินเมี่ยงเงื่ยงไผยมีแต่ฟงบาปไปสิเป็นจกผ่านนะขอดละสะดรนสิเดือดหลอดปานวา น, นอนน้ําทูกพอมียา่สิเศร้าเติมเต็มเรื่องเลื่อยเมือง เงาหนงพ่อปานเอาเฟื้อยมาหลอมน้ำประคองปอง ท, ท, ทีีนี้กันนี้บ่ได้ข้างโอโอลาเนาะว่าสันเด๊มหมายเลยว่าช่วงนี้ฟันเห็นถาดทองแดงที่เอามาขัดแล้วสวยสดงดงามประดับด้วยทองคำแล้วก็แก้วเพชรนินจินดาเสแล้วให้พวกหมาขึ้นหมานั่งแล้วก็ถ่ายใส่รัฐสภาอันทรงเกียริก็ดีรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ดีจะถูกมองข้าง หลังจากนั้นก็พวกที่ดังกล่าวแล้วที่ใหม่มีสินมีธรรมพวกที่เคยเป็นเพลย์ไพด์ เ, พเดี๋ยวนี้เอาไปเอามาก็จะมีอาภิสิทธิ์อิทิพลอำนาจโอกาสบาตรนารวมกันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นหมู่มเป็นคณะขึ้นมาขายา ม, มาทั้งบ้านทัน้งเมืองไปแล้วในทางศาสตร์ธนาก็เหมือนกันพระทรงองค์เจ้าที่มีสินมีธรรมอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะข้าไปอยู่ในป่าเขาลำเนาภายส่วนพวกบริฮันโมคนะน่ะบางทีก็จะมีพวกอารัชชีได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มาปกครองงูคณะส่วนผู้มีศินมีธรรมนั่งในที่ประชุมก็เหมือนหัวต่อไม่กล้าพูดอะไรออกมาเมื่อพูดออกมาก็จะถูกคัดค้านอย่างใหญ่หลวงเลยการบริหารประเทศชาติการบริหารศาสนาก็ดีถึงขนาดที่เรียกวักธรรมะชั้นสูงอย่างเรื่องสุญญาตาความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นถึกตา ความเห็นสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอย่างนั้นเองอวิธาตาอนัญญาทตาไม่ผิดไปจากนั่นอนัญญาทตาไม่เป็นไปอย่างอื่นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสูงสุดจะไม่ค่อยสนใจการลาลัชีทั้งหลายจะไม่ค่อยพูดถึงถ้าใครพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรขึ้นมาตายเป็นคนอับปี่เป็นคนไม่น่ารักในวงสังคมศาสนาค่อยไก่ขอนีิเครงมา เขาไปถึงในลาวางนั้นกายหันศีลชวนเห็นเป็นยังไงกะบวเวณเข็นใหญ่จากม้าผ่านพุทธ ก, การของหลวงสิลวงไปผ่าช่วยนีว่าอย่างนี้มีแต่ฟุงคุณหน่อยสิกินนิ่งเลี้ยงไผ่มีแต่ฟุงบ่าไปสิเป็นเจ้าะผ่านนาค่อนผัวข้าชององเจ้าของเราก็เมืองนั้นอารัชชีจะได้เป็นใยในแผ่นดินหลังจากนั้นพวกปุถุชนจะตั้งกกตั้งเหลากันขึ้นมาประกาศตัวเป็นพระอริยะเจ้าโอ้โหทีนี้ใหญ่โตมีแนวร่วมมีบุคคลผู้สนใจมากขึ้น โดยไม่ต้องบวกก็ได้เป็นพระอริยเจ้าได้แล้วมองข้ามดูทูกดูแคล m พระทรงองค์เจ้าที่ทำปฏิบัติ้งปฏิบัติธรรมที่ทุกข์ตรองดีงามเรียบง่ายสอดคล้องกลมเกินตามธรรมดาธรรมดาเขากับมองเห็นเป็นพวกยักษ์พวกมารไปนี่พวกอารัชีจะเกิดขึ้นมาเหมือนสุนัขขี่เลื่อนคื้นมานั่งอยู่บนถาดทองคำนาวาดกลัวเหลือเกินไอความฝันขอนี้ จึงบอกว่าแม้แต่พวกที่ปกบ้านของเมืองคุ้มย่อก็ดีจะต้องกินป้านกินเมืองพวกที่ไปมีสินมีธรรมมิจะฟุงบาปบาบปใบสีเป็นเจ้าพานนครราชดรสีเดือดร้อนปานหวานนวดน้ำเถอะว่ามีย่มเศ้าสิ่เติมเต็มเรื่องเลยเมืองเข้าหนุ่มพอปานเอาเฟื่อยมาหลอกน้ําประคองป่องที ท, ทีนี้กันนี้บ่ใดสี่ข้างโอโอล๋ละเนาะี่เป็นอย่างนี้อันนี้ผ่านไปต่อมาข้อที่เจ็ดพระ กัฟันผอไส้หนึ่งแข็งแรงพ่อตะวันแดงแดงคำล่องแรงคอยมันก็ง่อยสั้นปัดหนังริ้วเห็ดเสือขาวพ่อได้เห้ยเอแล้วโคงล่งไหวตารางเนี่ทางซ้อนหนึ่งอยู่ผลหมาผัดแลน์มา ก, กัดพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยหมอกรทุนท่วงขัดโหลดบอสซ่าทางฝันพ่อแต่หันไปได้หมากะ ก, กินเสือขาวเล่ยบ่เห้ยเาเหยื่อได้ไปหนาทาไดคว่ำฟันหนีได้เปียบแก่พันละหนาการจักมาภายหลังบดซื้อตรงค้งเลียว ท่านพัวไปหาใดเงินมาแต่ใจทังเมียเป็นผูหายเอาเวสอนเสี่ยงผัวเอาไปหาเกือขวดสูบใหม่มาส้มป่อยมีไงเอ๋ยห้อมเอาของพัวไปถนอมส้มไส้สโซกูพระองค์ให้แล้วแน่นิ่งเป็นตนาไนก้าละไพ่ขลีนี่แต่บอสงออกจากหันมันกโกงปอกปิ่นศินป์ประดูน้ำคิงเป็นแต่นิ่งพ่อยๆบอหนำตามคล้องถ้ำเจามีแต่มั่วเมาเล่นงวยโป่ไผ่ทัว่ว อะเล่นหวยด้วยนะหวยโปให้่ผัวทั้งผัวเป็นผูวหาทังเมียเป็นผูใส่หาเด็กกะบอกเนี่เจ้าเอ๋ยทุวันนี้ท่านก็จะเห็นแล้วบางคนบางท่านไม่ได้อบรมมาอย่างดีงามเอารูปร่างอันสวยสดงดงามประดับประดาแผลพันธ์บางทีผัวได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายเมียเป็นลูกคนธรรมดาชาวบ้านแต่เป็นคนมีรูปร่างสวยงามหน่อยผัวก็เลยงอง่อน ในที่สุดก็เลยได้มาเป็นมาสเตอร์ได้มาเป็นนายของผัวอะไทีนี้กลายเป็นแม่คนใหม่ของผัวขก็ก้มนาก้มตาหางานนะการทำแต่งเงินแต่ทองให้เมียพอเงินเดือนออกเมียก็แต่งตัวสวยเช้งวับหลังจากนั้นก็เล่นไพ่น้าเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นดำหนี้วิจินั้นก็เอาไปซื้อเครื่องแต่งตัวอวดชายอื่นให้ชอบตอนเองต่อไปกลายเป็นโซเพนีทางวิญญาณเพลเมื่อไหร่กยักษคิ้วผับบางคนยิ่งไปกว่านั้น ขัวไปนอนเบืองนอกซาอุดิอาระเบียต่างหนาต่างการทางานทําการอยู่กลางทะเลทรายทำการเปลวแดดอันแผดเผาทากลางพายุทรายอันตลบอบพวนสงน่งเงินมาที่บ้านหวานความหวังว่าเมื่อฉันกลับมาแล้วคงจะมีความสุขกับเมียและลูกหลักเล น, น้อยสร้างบ้านแปลงเรือนมีครอบครัวบ้านห้างหนึ่งพอได้อยู่อู้เดี๋นอนไม่ต้องพัดผ้าจากจอให้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 งานทั่วไปอะไรทํานองนี้มันก็วุ่นวายไปหมดความฝันข้อนี้ที่ฝันเห็นคนนั่งฟันเชือกหนังเอาหนังผูวมัดสับสมัยโบราณแล้วฟันเชือกหนังขู่กลวยทั้งไงเอามาขันเป็นกองเพลินหนังเหลยฟันลงไปฟันลงไปยาวๆก็ย้อนลงใต้ถุนหงายมือเลงเสร็จแล้วมีนางสุนัขตัวหนึ่งมานอนอยู่ข้างหลังแต่คอยมากินมากินฟันไปก็กินไปฟันไปกินไปอย่างเนี่ย ก็ไม่มีเวลาที่จะยาวมันเป็นอย่างนั้นจึงเปรียบมั้งวะผัวก็หามาเมียก็ใช้ไปเนี่ยม้ามันแหลนมากัดหมอก็ทนท่วงขัดโหลดบ่เศร้าทางฝัดพอเดหันไปได้มาก็กินเสื้อขาวเลยเงี้วเนี่ดไปบ่อใดทั้งนาทาใดควอมฟันเนี่เปียบใดแกมูพันละยาการจะมาภายหลังบ่ซื้อตรงของเหลี่ยวขั้นผัวไปหาใดเงินมาแต่ใจทั้งเนี่ยเป็นผูวหายเอาสอมเสียงผัวาไปหาเกือบกว่าสูมัยมาส้ม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 ตามเดิมนั่นให้หน่อยสีเต็มก่อนให้ไงข้าวนี่เกิดเป็นไปบาดว่าให้ไงหล่นให้หน่อยผัดบอ่อเต็มพันวาเสดที่เลือกแล่เหลี่มมีเต็มทองท่างอดผักกอท่องท่วงทดตังมาจากต่างการจักมาไายหนาฝูงเนสนาสั่นอาหมาัดผู้นี้จากได้กินมากหล่นสินจา่างรางวันสุวรรณวาสันผู้หน่อยต่อยต่ําที่ทําการอุ ป, ปมาเหมือนให้หน่อยบดเต็มข้ังน้ํา บรวยายามการใส่เกินไวววิ่งแลนมั่นหักแสนอยากเงี่ยนเพียนสั่งซอยหน่ายใ น, ในข้าวนั้นจะมีโจรผู้หายซิ่งหยาดเอาของทั้งกระซองเศร้าคุ้นปุ่นมีตีป่นค้นเมืองหอนนอนตาบ่อเต็มหน่วยจนแล้วการเก็บถววต่างแต่วันสี่หอนโ้มถอนเขาใส่สางบ่อให้ยังอยู่ขงังขีบทินดินดอนทั้งอา ก่อนหน้าสวนหมวนลงบอมไม่ไหวผ้าสีเกลือผ้าสีไหม่ใบยาขั้นชาฟินหอดขี้ดินบนนั่งขี่ก็ะนํากี่ให้สรงหลวงจึงว่าไห้ปะก่วงล่วงวาหาวง ล, วงลอกกินไตเฮ้อดังไท้กินดีเมืองเล้าข้าวนั่นอัศจรรย์นนติกำนี่เดาผักขาวฝุงหมูเหล้าไทยพี่น่องฟังแล้วแห่หาฮ้อนแน่ถอนประทันคนบราณว่าอย่างเงี้ยตอนนี้จะกินกันเก็บพรายละเอามีทะเลกินกันข้าวไฟ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 ที่ตอนการพัฒนาประเทศชาตินี่สีไให้ไงกัสิลลอนให้หน่อยจางบ่อเต็มพวกละทะมามตีเลยอะไรต่ออะไรเจ้าหน้าที่ก็นี่ผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการควบคุมคำมาการบริหารโครงการต่างๆเงินพันออกมากลายเป็นเงินฐานกิงกันทิพย์หาไว้อนถ้าจ้างเอกชนทําพวกค้าทําธรรมดามันทําได้มากแต่พอให้ทางเจ้าทางนายพากันทําเองถ้าหากไม่มีสินมีทำอีตรงนี้ล่ะ มันจะกินกันที่ภายวายวอดไห้ในหล่นไหหน่อยบ่อเต็มพวกนายผู้น้อยผู้วิ่งเต้นไปไปดูไปแลโครงการอะไรต่างๆเจ้าของโครงการเนี่ยได้กินเหมือนกันจะกินหน่อยตัวที่นั่งอยู่ข้างในห้องแอร์ปรับอากาศอะไรต่างๆข้างนู้นสั่งแก๊กเซนก๊อกออกมาในฟ้าดก็ไปเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องออกเรียกออกแรงทุกอย่างอยู่ที่น่ฉันเองฉันรับผิดชอบไหวงั้นเธอจึงหลายจงพา ก, กันทําไปถ้าอย่างนี้ ก็เรียกว่าหายเงหล่นหายหน่อยบ่อเต็มภาษีที่เรียกเก็บออกไปก็ไปเป็นเงินเดือนเงินดาวหลังจากนั้นก็มาเป็นเงินส่วนกลางพัฒนาประเทศชาติพอวนออกมาอีกทั้งแต่เงินเดือนแล้วยังไม่พอภาษีลงลงมาเกาะเกิดเป็น t า a n s f o r m a t i o n คือแปลงรูปเข้ากระเป๋าอีกสมมุติว่าถานนซ้ายนี่งาะประมาณลงไปสักห้าแสนบาทถานน้ายนี่กิโลนี้ห้าแสนบาทใส้หลูกรังเข้าไปประมาณสัก สองประมาณสักสอง0มืนคิวอย่างนี้หรือประมาณสักมื่นคิวเอาแล้วคุณจะให้ผมกี่เปอร์เซ็นต์บอกผู้รับเหมายัางนี้เอาไปสามสิเปอร์เซ็นต์แต่สา3สิบเปอร์เซ็นต์คุณลงไปเลยสามพันคิวอย่างนี้คนนั้นก็ลงไปสามพันคิวแทนที่จะใส่เข้าไปถึงหมื0นคิวอย่างนี้ฝนตกมามจะไม่ได้ท่วมไม่ได้ไหลนี้แต่ที่สามพันคิวก็ไม่ไปไรเดี๋ยวฉันเซ็นให้ เสร็จแล้วส่วนเงินนั้นต้องมาแบ่งกันกินอันนี้ที่เรียกว่าให้ไงหลดให้หน่อยบ่อเต็ม e คือขอรับชั้นชอราดบางหลวงมันจะเกิดขึ้นให้เราได้คิดกันตั้งหลายลองพิจรารณาดูก่อนแล้วกันดูอะไรตัวทั่วไปการกระทําของพระทรงองค์เจ้าเราก็เหมือนกันในบ้านในเมืองนี่ในวัดวาสานาอาหารวานข้าวสวดจารผ่านผ้าผ่านหญ้าปูว่ะข้าขต่บอ่อหนุ่ซิกแล้วแต่เหิงตุ่มเปิดเปิงของเพลงหญ้าทานสวดปันจารผ่านผ้าผ่านหญ้าปู ของญาปู่ญาท่าของเจ่าท่านเจ้าอาวาสหัวหน้าสมภารเต็มเครื่องอยู่ของเก็บพุทธวิธี่วัดนี่นะเราฉันกันอยู่ในบาทเอาใส่ภาชนะอันเดียวแล้วก็ใส่รถเข็นไปกันไปถ้าวางวางอาหารน้อยเนี่ยไม่เป็นห่วงแล้วกันกลัวจะสวดการผ่านผ้าผ้านญาปูกลัวนเน้นเล่นน้อยจะไม่มีโยบไม่มีกินบางครั้งเราตักเอาเนน้อยต้องลุกไปคอยดูหางแถวว่าถึงกันไหม เป็นหวงเหลือเกินเพราะความเห็นแก่ตัวมันไม่เคยปราณีใครทั้งนั้นแต่มีความเห็นแก่ตัวเข้าไปวงการไหนมันก็ได้ชิปหายวายวอด ก, กันล่ะก็ เ, เหตุ น, นั้นไอ้คํากล่าวที่บอกว่าให้ใหญ่ล้นให้หน่อยบ่อเต็มนั้นมันจะเดือดร้อนคนทุกิ่งจะทุกลงไปคนร่ำรวยยิ่งจะร่ารวยมากขึ้นประกาศลี้รอหาความเป็นนิคสตูรีอินดัสเทรียลคันท อความเป็นนิกนั้นก็คือเศรษฐีไม่กี่คนที่มีรายได้กำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอาจจะเป็นสามรอยเปอร์เซนปีที่แล้วอาจจะได้สักร้อยล้านแต่ปีนี้อาจจะได้เป็นพันน